ข อ, อนอบน้อมคุณพระรัตนนรยัยขอกราบครูบาอาจารย์ขอกราบพระอาจาราย์ไพศาลพระอาจารย์สงเสริพระอาจารย์รารมานพแล้วก็พระพันเตยพรวมถึงสหธรร ม, มิกทุกท่านแล้วก็เจริญพอรอันโยมก็ขอโอากาสทุกท่านเนาะจริงๆครูบาอาจารย์ก็อยู่ต่อนหน้าต่อตาเราเราหมดแล้วนะอันนี้ก็แค่จะถือว่ามาเป็น มาพูดตามที่คำนิมนต์จริงๆเรื่องของธรรมะนะก็คือสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังที่ครูบาอาจารย์บอกเรานะธรรมะถ้าเราไม่ได้ยินไม่ได้ฟังเราก็จะปฏิบัติไม่ได้เพราะจะเป็นผู้รู้เองไม่ได้มีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่รู้เองเห็นเองเข้าใจเองนะท่านรู้แล้วท่านตรัสรู้แล้วก็มาบอกพวกเราว่า สิ่งที่เราต้องรู้ตามที่ท่านสอนคืออะไรนะก็คือถ้าเราย่อๆอย่างที่เราเคยได้ยินได้ฟังก็คือให้เรามารู้เรื่องกายเรื่องใจของเรานะเพราะว่าเรื่องกายของเรื่องกายเรื่องใจเนี่ยมันแสดงธรรมได้ทุกอย่างนะแล้วก็เจ้าตัวก็จะเป็นผู้รู้เองเห็นเองว่าธรรมที่เขาแสดงเนะ่มันมีอะไรบ้างอย่างภาษาบัญญัติที่เราเรียกกันว่า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 ความรักความโกรธความโลภความหลงความเบื่อความเซงความขี้เกียจความลำคาญความหุดหงิดความไม่รู้อะไรเลือกไม่ถูกเยอะแยะไปหมดนะอันนี้ก็ล้วนแต่เป็นอาการไม่มีใครรู้ได้อาการนี้หมายถึงว่าคนที่อยู่นอกตัวเออหมายถึงว่าผู้ที่รู้ได้ก็คือเจ้าตัวนั่นเองนะคนอื่นจะรู้แทนเจ้าตัวไม่ได้การรู้ทำยังไงถึงจะรู้สิ่งนี้ก็คือ อย่างน้อยก็สองอย่างต้องฟังบ่อยๆเมื่อฟังบ่อยๆมันก็เป็นข้อมูลนะเป็นข้อมูลที่ทําให้ระลึกได้ขึ้นมาว่าเมื่ออะไรเกิดขึ้นในกายในใจเนี่ยมันก็ระล hm ึกได้ขึ<_<_้นมาเช่นเราเคยได้ยินว่าเมื่อโกรธก็รู้เมื่อรักก็รู้เมื่อเบื่อก็รู้เมื่อเซ็งก็รู้อันนี้เป็นข้อมูลที่เราได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นเมื่อมีสภาวะเกิดขึ้นเช่นมันเบื่อจริงๆมันโกรธจริงๆเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยสติก็จะมา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 ตามเตามุามปัจจัยอย่างเช่นความความเย็นความหนาวนะตัวอย่างออถ้าวันไหนที่มันเป็นอากาศเย็นเนี่ยเราไม่ต้องหาหรอกว่าความเย็นมันมีหรือไม่มีมันก็เย็นอยู่แล้วนะมันเย็นที่ไหนมันก็เย็นอยู่ที่กายกระทบสัมผัสนะหรือว่าแดดแดดออกแดดจ้าอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องหาว่าความร้อนมันเป็นยังไงนะพอมันแสงแดดกระทบกับกายมันก็ร้อนแล้วแล้วก็รู้แล้ว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 เช่นอารมณ์โกรธนี่พอโกรธขึ้นมานี่มันออืมันไม่อยากให้ไม่อยากให้มีอารมณ์เนี้ยเกิดในจิตทีนี้ทําไงได้เมื่อความโกรธคือเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมมันทําอะไรไม่ได้หรอกมันโกรธก็คือโกรธนั่นแหละถ้าเราไปอยากให้มันหายเมื่อไหร่นั่นแหละเป็นตัณหาขึ้นมาก็เป็นทุกซ้อนขึ้นมาทุกซ้อนทุกครูบาอาจารย์ท่านก็พูดอย่างชัดเจนแล้วว่าอะไรเกิดขึ้นก็สักแต่รู้มันนะอย่าไปผักใสอย่าไปไล่ส่งอย่าไปอะไรมัน ทีนี้ทํำยังไงถ้าสมมติความโกรธเกิดขึ้นนะแล้วมันไม่ชอบก็รู้ว่ามันไม่ชอบแล้วทํำยังไงถ้าสมมุติมันดันไปผักค่ะว่าบังเอิญมันไปผลักใสเข้าแล้วไงเพราะมันไม่ชอบก็รู้ว่ามันผลักใสเนี่ยใช่ไหมตรงไปตรงมาซื่อๆตรงๆนะคือให้ตามดูตามรู้ตามเห็นอาการของจิตเนี่ยพฤติกรรมของจิตว่ามันมีพฤติกรรมยังไง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 อืออย่างน้อยก็ต้องเห็นง่วงก่อนอ่เมื่อเห็นง่วงแล้วก็ออกมาก็คืออย่าไปอยู่กับมันก็หมายความว่าอาจจะมีวิธีการโดยที่ให้เกิดความรู้สึกตัวทางร่างกายก็ได้นะร่างกายมีการเคลื่อนมีการโยกมีการทําให้มันแรงขึ้นเนี่ยนะแล้วก็ความง่วงมันก็อยู่ส่วนหนึ่งใช่ไหอความง่วงก็อยู่ส่วนหนึ่งการเคลื่อนไหวก็อยู่ส่วนหนึ่งตัวเห็นก็อยู่ส่วนหนึ่งเนี่ยสองสามส่วนแล้ว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 เพราะนั้นจ you know ิตเนี the idea, the ่ยมันก right? ็จะรู้จักถึงความมีหรือความไม่มีความว่างมีอยู่ก็รู้ว่ามีอยู่ความว่วงไม่มีอยู่ก็รู้ว่าไม่มีอยู่ก็สักแต่รู้อาการอื่นๆมันก็เหมือนกันนะมันมีอยู่ก็รู้ว่ามีอยู่มันไม่มีอยู่ก็รู้ว่าไม่มีอยู่ใช่พวกนี้เรื่องของสติปักฐานทั้งนั้นเลยเรื่องความมีอยู่ไม่มีอยู่รู้ก็เป็นแค่รู้ สิ่งนั้นมีอยู่ก็เพียงเพื่อรู้สิ่งนั้นมีอยู่ก็เพืเพ่อเพียงเพื่ออาศัยเป็นที่ระลึกแค่นี้มันก็ไม่ติดอะไรอะไรแล้วใช่เพราะฉะนั้นเราปฏิบัติธรรมเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะให้ดีหรือไม่ให้ดีเพียงแค่เห็นตามความเป็นจริงของสภาวธรรมนะอันนี้คือการเจริญปัญญาให้เห็นตามความเป็นจริงของสภาวธรรมว่าสภาวธรรมเนี่ยมันมีมันมีลักษณะสามอย่างที่เราเรียกว่าพระไตรลักษ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 ระหังสัมมาสัมพุทธะพระขาวาพระกวันตังอาภิวาทิสวากาโตพะขาวตาธรรมโมธรรมังนามาจามิสุปติปันโนพะขวโตสวกาตังโภ สร้างขางนามามี